เี่ดังวุจจิตพิกเวตุขานิรโรธโพริยสัสสจัมโอ้โหไม่ไปยาน <c oughs> สวยไปล่อเนะยิ่งสวยก็ยิ่งเสียงฮุ่น เกียรตเสียงแข็งๆเสียงมันไพเราะสลัดสลวยซะหน่อยโพธ บ, บวิจารโรโลเกปิยะรูปังสะตารูปังเอเทสาตันหาเะหิยะมานาเะหิติอีอูเอโอเนี่ยมันยาวซะหน่อย เอธนิรุชฌมานิรุชฌเตมธรรมวิจารโโลกเกปิยรูปังสะตัรูปัเอเตสาตันหาปัญยาปานาปัญเตมเอ h นิรุชมานิรุชฌเตมยีดวุจจะติภิกขเวดุขนิโรธโออริยสัจจังเอวามันยาวๆน่ย สรรมวิตตค โ, โลเกปิยาโรปังซาาปังไปทำเสียงให้เท่าเท่ากันมันก็เสียงสั้นๆหุ่นๆเท่ากันมันไม่ไพระ้ะมันไม่กลมกลืนมันไม่ไพเระมันไม่แส่บอยากบอ <c oughs> <c oughs> ไปดูคำแปล ไปดอความหมายไปดูคาแปลเราจะได้เห็นริษเดชของตัณห า, าริษเดชของตัณหากิริยาการของมันทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นโรคทั้งส่วนที่เป็นเวทนาทั้งส่วนที่เป็นสัญญาทั้งส่วนที่เป็นสังขารทั้งส่วนที่เป็นสัญวิญญาณรวมลงมาที่กิริยากายกิริยาจิตทั้งหมด 60กิริยาอาการเราไล่รู้สิตัณหามันจะไม่มากได้ยังไงกิริย า, าการของตัณหาที่มันจะพึงแทรกเข้ามาในกิริย า, าการของจิตของเรามันจะไปทันมันเลยแต่เราสัมรวมบทใดก็ตามเราสัมรวมที่ใจอยู่หมดสัมรวมที่ใจอยู่หมัดทั้งหมดเลย ตกความตรึกวิจารณ์ความตรองเียสังกุมที่ตาสังกุมที่หูจมูกลิ้นกายสังกุมที่ใจสังกุมที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ธรรมารมธรรมารมก็คือที่ใจสังกุมที่วิญญาณหกจักกุโสตคานะสิวหากายะมโน อินญาลหกก็คือใจสัรวมมาที่ใจดวงเดียวโย ม, มัดทั้งหมดสัมรวมมาที่ใจสํารวมอะไรเอาอะไรมาสํารวมเอาสติมาสํารวมเอาสติ ม, มาสมังวรการสํารวมการสรังวรนั่นน่ะมันเป็นการปฏิบัติ มันเป็นการอุดช่องอุดรูอุดช่องที่ตันหามจะแทรกเข้ามาอุดรูที่ตันหามจะแทรกเข้ามาตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเจ้าตัวจอมที่มันเป็นบทบาทที่สุดที่มันคอยเล็ดรอดมาสวมรอยอาจิตของเราไปใช้มันเอากิริยาของจิตมันแทรกเข้ามาที่กิริยาของจิตกิริยาใดก็ตาม พอมานแทะเข้ามาปนั่นเหตุที่เกิดทุกเหตุที้เกิดทุกเหตุที้เกิดทุกก็คือเกิดขึ้นจากความอยากของตัณหานี่ยแหละแทะเข้ามาแทะเข้ามาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่วิญญาณหกที่ผัสสะหกที่เวทนาหกแทกเข้ามาเวลาเรามาสรุปในแง่ของการปฏิบัติเราสรุปมาที่เวทนาห ท่านจึงว่าเวทนาหกเป็นที่ประชุมพร้อมของธรรมะทั้งปวงเวทนาทั้งหกมันเป็นที่ประชุมพร้อมของธรรมะทั้งปวงชุมพร้อมยังไงความรู้สึกมันจะมาแทรกมาที่กิริยาจิตตรงไหนรวงไหนก็นแล้วแต่กิริยาที่มันแทรกเข้ามาตัวนั้นแหละที่ท่าเรียก ว, ว่าเวทนาเวทนา มันเป็นเกณฑ์ความรู้สึกรู้สึกยินดีสุขเวทนารู้สึกยินร้ายทุกขเวทนารู้สึกเฉยเฉยอุทกขมสุขเวทนาท่านจึงให้สํารวจมาที่เวทนาเวทนาคำว่าเวทนาคือความสวยอารมณ์หรือความรู้อารมณ์ใจให้มันรู้อารมณ์ใจมันสวยอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนามันเป็นภาษาศัพท์ของศาสนาเราฟังเอาไว้เรารู้เอาไว้ แล้วฟังยากจำยากเข้าใจ ย, ยากมันศัพท์ศาสนาเราจะเรียกได้อย่างไงเวทนาภาษาไทยท่านก็ บ, บอกอยู่เวทนาความเสลิ อ, อารมณ์เราเห็นอะไรมันมียินดีมันมียินร้ายคือตัญหามันพายึบมาจนจนชินแล้วสมมติเราไปเกิดบางกลับแล้วไม่ได้ไปเกิดท่ามกลางศาสนา ศาสนาพุทธเลยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนนิสัยสัญดานของกิเลสในใจเราเห็นสิ่งที่ดีมันก็ยึดเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปยินร้ายเห็นดีมันก็ยึดเข้ามายินเห็นไม่ดีก็ผลักออกไปเราเรียนหลักเหล่านี้มันเป็นการเรียนหลักของธรมธรมชาติธรรมชาติเหล่านี้เราต้องรู้จักเอาไว้ถ้าเราไม่รู้จักมันก็ ความคิหนหายคินอยู่นี่แหละตัณหามันเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราไม่รู้มันอ่ ะ, อะมันสวมรอยมาใช้จิตของเราจิตของเราดรงเดียวจิตคือผู้รู้จิตคือท่ า, ารู้จิตคือผู้รู้จิตคือท่ า, ารู้ถ้าตัณหาไม่แทรกเขาา้ามาธรรมะก็มีโปร่ขึ้นมาครับถ้าเราเจริญธรรม เราตั้งใจมั่นหมายว่าจะให้แต่ธรรมมันเจริญหัวใจของเราไม่ให้ตัณหามันเจริญนี่ไม่ว่าเราได้ยินทัได้ยินธรรมได้ศึกษาธรรมได้ฟังธรรมเราจะพยายามเจริญแต่ธรรมะให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราการเจริญธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมเจริญอย่างหนึ่งเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวทัานเรียกสถมถะพุโทโธพุโทโธตุ เจริญอีกอย่างหนึ่ง ม, มาทาความรู้จักกิริยาการของกายทําความรู้จักกิริยาการของใจเป็นเหตุให้เกิดปัญญานึ่งท่าเรียกว่าเจริญปัญญาหรือเจริญมีปรสนาเจริญมีปรสนาเอาอะไรไมาเจริญเอาสติสมัธไม่มีสติส ม, มัธยาเจริญไม่ได้ มีปา ส, สนาไม่มีสติวิปั ส, สนาเจริญไม่ได้มีสติตัวเดียวทำให้เราควบคุมกิริยาการของจิตของเราได้จิตของเราถ้าปราศ จ, จากสติเหมือนกับสัตว์ไม่มีเจ้าของคุมสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของคุม ใครเคยเสังเกตใครอยู่บ้านใกล้ใกลถนนนะ่ะปล่อยสัตว์เลี้ยงไปเพลินพลาดเป็นแมวเป็นสุ น, นัขไปอย่างนี้นะ่ะสัตว์หนึ่งรอดเหยียบตายแล้วสัตว์หนึ่งออกไปข้างนอกรอเหยียบตายแล้วน่ายกตัวอย่างสติของเราจิตของเราไม่มีสติไม่มีสัมมชัญญะควบคุมจิตไม่มีเจ้าขอน้ำหนักเข้าหนักหนักเข้าทันว่า มีสติมีสติแค่พอเขาไม่เรียกว่าคนบ้ามีสติแค่พอเขาไม่เรียกว่าคนบ้าแต่ถ้าขาดสติจริงๆเ ข, ขาเรียกขาดสติเขาเรียกคนบ้าไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีคือสติสติทําให้เราตื่นโรูอยู่ภายในจิตของเราบทที่เราสวดทั้งหมดนี้เป็นบทมหาสติ บทมาสตินี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานสี่สี่บทบทกายบทเวทนาบทจิตและก็บทธรรมมันเป็นบทสรุปที่พระพุทธเจ้าท่านสรุปยอดลงมาทั้งหมดทั้งเรื่องของสมถะทั้งเรื่องของมิปรสนาสรุปรมลงมาที่นี่ทั้งหมดทำไมจึงสรุปลงมาที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเพราะ ปัญหาเวลามันจะแทรกมันก็แทรกมาจากมันไม่แทรกมาทางกายมันแทรกมาทางวินาเราจับความรู้สึกของเราก็ได้ความรู้สึกของเราภายในใจของเราหัดจับดิมันละเอียดก็จริงแต่ว่าหัดพยายามจับถ้าเราไม่พยายามจับเราไม่พยายามทําความรู้จักเราก็ไม่มีสญญติมีสัญญ ม, มชัสยากับคกคุมจิตตัวเองไม่อยู่แล้ว แม้แต่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ควบคุมก็ไม่อยู่ไม่มีสติพุโทโธไม่อยู่ไม่อยู่แล้วจะสงบได้ยังไงมันเอาจิตรรเร า, าไปใช้แอร์ป้เอาจิตของเราไปใช้เอาไปใช้เร่องอะไร น, นึกสนุกนึกเพลิดเพลินนึกอะไรต่ออะไรสารพัดนล้วแต่มนจะย์พันธ์ตัณหาความอยากความริ้นรนความทะยานทะยานอยากของใจให้ให้ใ ห, ให้พยายามหัดย้อนกลับไปดูตัณหาที่มันเกิดในใจของเรา ถ้าเราไม่ย้อนไปเราก็ไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นมันก็แสดงรีบเดียวแต่ก็ดึงทุกข์ดึงโทษมาให้จิตของเราการที่แสดงแล้วดึงกริยาที่เป็นทุกข์เป็นโทษมามันคิดเกี่ยววนะ่าเราสมุทยัยเฮได้เกิดทุกข์เท่านั้นน่นะเนได้เกิดทุกข์มันนึกตามนะอนหอมตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาพิภาวตัณหาเรามาประกอบมรรคมาเจริญมรรคเราก็อาศัยความอยากเหมือนกัน อยากประกอบความอยากให้ทานอยากรักษาศิลงอยากภาวนาให้ใจสงบจากพิจารณาเกิดปัญญาความอยากแบบนี้เป็นมัน่งนี่เราจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราจะไม่ศึกษาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราจเราจ ะ, จะต้องได้ยินได้ฟังอยากแบบไหนเป็นสมุทยัยเป็นกิเลสอยากแบบไหนเป็นมั่งเป็นธรรม เราพยายามปลูกฝันทำให้เกิดขึ้นหัวใจของเราเป็นมรรคอยากให้ทานอยากรักษาศิลกลัวเสียสินอยากภาวนาให้ใจได้รับความสงบเพราะใจของเราถ้าหากไม่ภาวนามันขาดการสํารวมระวังไม่มีสติไม่มีสตังอยู่บนเนื้อกับตัวตัานหาไม่เอาชิ้นเราไปใช้ตัาหาด้วยความอยากอยากถ้ากข์ตะโูนตามหัวใจชอบ ผิดโทไม่รู้จักไม่รู้เนระืเราดูไปที่กิริยาของจิตเราจะรูกกิริยาเหล่านี้เราตั้งใจภาวนาถ้าเราไม่ทาความรู้จักกับมันเราไม่มีวิวชาการใดที่จะมาหักห้ามมันได้เลยตัณหาหัวใจเราหักห้ามไม่ได้ไม่มีวิชาการใดอยางถึงวิทยาศาสตร์เราก็ไม่สามารถจะอยางถึงได้วิทยาศาสตร์ เขาจับคลื่นนู้นจับคลื่นนี้จับพลังงานนู้นจับพลังงานนี้สารพัดเขาจับได้แต่จับจิตเขาจับไม่ได้จับไม่เป็นนึกว่อจัไม่ได้ อ, อตัณหาเมแทเข้าไปภาในจิตทอาจิตของเราไปใช้สารพัดเพราะว่ากิริยาที่มันจะสวมรอยเข้าไปมากมายมหาศาลที่ท่านพูดถึงสิบหมวดหมวดละหกหมวดละหกหกสิบกันหกสิบ ท่นพูดถึงอายตนะภายในหกอายตนะพายนอกหกเวลามจะเกิดเกิดตรงนี้วิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกสัญญาหกสัญญาธนาหกตระหนัหกวิวิโตหกวิจารหกสิบหมวดหมวดละหกมันเป็นกิริยาที่แต่กระจายไปจากอายตนะพายในอายตนะภายนอกต่เาอยู่บริการใจกันละ รูปเสียงกินรวัุภธรรมารมณ์เป็นหลักาเกี่ยวกับรูปหูเกี่ยวกับเสียงจมูกเกี่ยวกับลิ่นลิ้มเกี่ยวกับรสกายสัมผัสหมายถึงกายกายยาประสาทที่อยู่รอบข้างตัวเราสัมผัสสัมผัสเย็นสัมผัส ร, ร้อนสัมผัสก่อนสัมผัสแข็งกายยาประสาทแล้วก็ธรมรมารมณ์ธรมรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่นึกคิดอยู่ในใจ อารมพเราหนึกเราคิดอยู่ในใจเรียกธรรมารมณ์ทั้งนั้นแหละรารมณ์ที่เกิดที่ใจวิญญาณหกเนี okay. fini, ่ยผัสสะหกมันทํางานในขณะเดีย Jupiter. วกันมันได้ทั s <S ้งวิญญาณมันได้ทั้งผัสสะเวลามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ละอย่างเกิดขึ้นครั้งละอย่างเท่านั้นแหละมันไม่เกิดขึ้นหลายอย่างนะมันไม่เกิดทางตามันก็เกิดทางหูมันก็เกิดทางจมูกมันก็เกิดทางลิ้นมันอาจจะไม่ซ้ํากัน หรือมาอาจจะซ้ำๆกันเกิดตั้งตาเกิดทั้งๆาใ้ออกเห็นเห้ออกชอบโอ้ยินดีโอ้ยินร้าเพลินไปเกิดสุขเวทนานเกิดทุกขเวทนาการที่เราต่อกอนกับมาเราจะต่อกอนตรงไห น, นเรามาตั้งสติกำหนดจดจ่อพิจารณาดูเวทนาเพราะเวทนาเป็นที่ประชุมรวมลงของธรรมะทั้งหลายทั้งปวกทั้งหกสิบช่องหกสปรูนี่แหะ มันไปชุมรวมลงที่เวทนาเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกวเวทนาอรรมทุกธรรมาสุขเวทนาขอยเรารู้จักจับก็แล้วกันโอ้ยินดีจับพอเราจับในปักมก็ดับโอ้ยินร้ายนึกเกลียดนึกโกรดนึกอิจฉาริษยาพยายามโอ้ก็จะยินร้ายนึกอยากผลักไสให้ออกไปยินร้ายเรารู้ทันก็นดับอทุกขมสุขอทุกขมสุขนี้เราก็จับยาก เพราะว่าถ้ามันเอียงมาทางยินทีมันจะแพร็บมันก็ยินยินทีเอียงไปทางยินร้านแพรับก็ยินร้านเราใช้สติกาหนดจดจอโรูอยู่มันเป็นการปลุกจิตข้งเราให้ตื่นอยู่มันตื่นยังไงเรารู้เวลาเราภาวนาคุตโธเวลาจิตมันอยู่จิตของเรามันตื่นมอนรู้อยู่มีสติกํากับกาหนดจดจอตัณหาแทรกได้ไหมตัณหาแทรกเมืมันไม่โผล่ึ้นมา ตัณหามันไม่กล้าโผลเข้ามาเพราะความรู้ที่ชัดเจนที่สุดในใจของเราชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นเองถ้าเป็นสองเป็นสมอารมณ์ไม่มีอะไรชัดสักอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อาศัยอารมณ์ปัจจุบันให้จิตอยูให้ชัดรูให้เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเราก็มากำหนดเวทนาแล้วก็ ม, กมนนวสมาธิกายก็ได้ เวทนาตัวที่กายปวดหัวเข่าเนี่ยปวดไหล่ปวดหัวเข่าปวดต้นคอปวดต่อโกปวดเอวปวดส้นหลังปวดต่าไม้ก็แล้วแต่เอาจิตเราเราก็หนดจดจ่อลงไปเอาทุกกายทุกควาเวทนาทางกายเมื่อสักเท่าไหร่เราเริรู้เราเรรู้ว่าเจ็บว่าปวดหลังว่าปวดเช่นว่าปวดเอ็นเราเรรู้ว่าเจ็บ ถ้าเราไม่เลือกเรื่องรู้ว่าเจ็บโอ้ยเราเจ็บอัตามโผล่ขึ้นมาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันกระทุ้งอะไอย่งโอ้ยทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเจ็บทำไมเราต้องปวดเป็นภาระเราอีกแล้วต้องไปหาหมอต้องไปหายาต้องบริหารบริหารต้องบีบต้องนวดต้องเจ็บต้องป่วยต้องอดต้องแอดขยับทีก็เจ็บขยับทีก็ปวด เนี่ยปัญหาไม่สวมรอยเข้ามามันยึดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ปล่อยให้มันลกลามไม่ให้มันสวมรอยมันก็จบแคะนั้นปวดเอาสติขหนดจ่อเราเริรู้ว่าปวดปวดก็สัจธรมปวดจิตผู้รู้ว่าปวดก็คือจิตคนละอันเลยแล้วไอ้ความปวดนั้นมันเกิดตรงไหนเกิดที่ดหัวเข่าเนี่ยมันอาศัยกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยปวดที่เอว ปวที่ตนคอปวที่หัวปวดตรตงไหนก็แล้วแต่มันอาศัยกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราใช้สติสติธรรมนี่แหละกําหนดจดจอรู้อยู่จอดูอย่างนั้นแหละไม่ให้ตนณหาโผล่ปวปวดรู้ว่าปวดก็มารู้ว่าปวดรู้ว่าปวดตลอดรู้ปวดจอไม่ต้องว่าอะไรก็ได้จ อ, อของเวทนาเนะี่ะไม่ต้องหว่าอ เพือจะจ้องดูอะไรจ้องดูเอาจิตเอาผู้รู้ของเราไปจ้องดูพร้อมกับมีสติกํากับผู้รู้นั้นเนื่องจากเราฝึกทั้งสมาธิเราฝึกทั้งปัญญาเรามีภูมิความสงบจิตของเราไม่จอนิ่งเฉยอยู่ได้นานก็หมดจดจ่อยอยู่ได้นาน ทำความรู้จักดํมริอยู่ในใจตลอดปวดปวดปวดทำความรู้เท่าทันมันตลอดปวดปวดปวดปวดถ้าเป็นพวกพ่อเนาะยุหน้อยก็บอกปวดเนอปวดเนอะปวดเนาะเมยเขาบอปวดปวดเนอะทาความรู้จักกับคําว่าปวดปวดก็สัตว์คำว่าปวดเป็นกิริยาการที่เกิดขึ้นจาก การที่ร่างกายของเราไม่ปกติเหตุปัจจัยของมันคือกายการถัดข้องกายเจ็บกายปวดเราสังแต่ว่ารู้ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดจับให้ได้จับความยินดีให้ได้จับความยินร้ายให้ได้เราจะได้อ่านได้ทำเราจะเห็นทม เห็นยังไงเราจับให้ได้เราดูจังหวะหนึ่งเราจิตของเราจะเร็วมากเร็วจนสามารถตัณหาพรมมาปั๊บปั๊บผอมมาปั๊บปั๊บผอมมาปั๊บปั๊บผอขึ้นมาไม่ได้เลยตราบใดที่มันสปักกันแรงๆมันรุนแรงราบไปข้างหนึ่ง ท่นมันเข้าเร่รูปเท่าแล้วก็รูปทังอัตราตัวตนมันไม่โกลงไม่โกลงมาฤทธิเดชภายในใจของเราก็จะเริ่มอ่อนลงอนลงอลงบางช่วงที่มีสติกับกํากับกำหนดจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธจิตของเราสงบอย่าลืมว่าจิตของเราไม่สงบเพราจิตของเราถูกตัณหามันยุบแย้มันแทรกพานึกพาคิดพาพรุงพาอะไรอะไรสารจิตมันสงบเพราะตัณหามันแสดงตัวไม่ได้ ธรรมะจิงแสดงตัวไม่ได้เพราะพลังของสติของปัญญามากกว่าเราเอาธรรมะมาใช้ที่อย่างเราบริการพุทโธพุทโธพุทโธแล้วไปจอพุทโธแล้วไปจอจอมาที่จิตของเราได้พุทโธแล้วไปจอมาที่จิตพุทโธวไปจอมาที่จิตเราฝึกซ้อมบทฝึกซ้อมมากมายเยอะแยอะเรามีสติคํากับเสอย่างกําหนดจดจ่ออยู่กับอะไรอันนั้นแหละเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ของสมัมถะจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์อะไรก็ตามขอให้จิตมันอยู่อยู่กับอารมณ์เหล่านี้เกิดประโยชน์เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาเราก็ต้องการปัญญาอยู่แล้วเพราะปัญญามัน บ, บอกถึงเกตผลชัดเจนว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของสถมถะแค่มันสงบแต่เราอาจจะไม่รู้เห็นไม่รู้ปัจจัยเช่นอย่างเราก็มาจดจ่อทุกเวทนา กายดูกายแล้วก็ดูเวทนาพิจารณากายแล้วพิจารณาเวทนาเหมือนอย่างที่ล่งตาท่านสอนนะย้อนมาดูที่จิตดูที่จิตทาความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตย้อนไปดูเวทนาแล้วก็ดูกายดูกายตรงที่มันปวดปวนั่นแหละย้ยอนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปเราจะเห็นตัวแตกตา่างตัวนี้แหละ ตัวจิตตัวสติที่เราเ ล, ลึ่อที่เรามีความภาคความเพียรที่เรามีความอดความทนก็หมดจดจรออยู่เลยเราจะเห็นข้อแตกตา่างเราจะไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นกน้อเป็นแท่งเป็ น, นอันเดียวกันมันต่างอันต่างอันต่างมีภาวะของมหม่ภาวะของกายส่วนหนึ่งภาวะของเวทนาส่วนหนึ่งภาวะของจิตส่วนหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมรวมทั้งหมดก็คือธรรมเป็นธรรม เราเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้งานถ้าเราเต็มม้าเต็มมืองานพวกเราไม่ปวดไม่อันมาเต็มม้เต็มมืองานไม่เว้นไม่ว่างไม่ว่างไม่เว้นงานทุกริยะทุกขณะจิตนราหจดจ่อเราสามารถทําได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ทําได้ไม่สําคัญว่าเราจะต้องอยู่ในท่าทีว่าเรานั่งผัดสมาบ้นา ไม่ต้อารว่าเราจะเท่า อ, อยู่ในท่าทีที่เราเดินจนกลบเนี่ยมันสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทำมันมได้ทุกระยะทุกเวลาและเลี้กินอยู่อย่างนี้กับกับของง่ายๆกับของที่อยู่ปากคอกันี่ยอยู่ปากคอกนเลยอยู่กับกายอยู่กับจิตก็คืออยู่ปากปากคอกั่นะตึงชัลืมหลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วกายกับจิตกายกับจิตกายกับจิตก็อยู่แค่นี้เอง เราจะแยกที่แยกฝีกวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจับอะไรมาก็เท่ากับจับจิตเพราะมันทั้งสี่อย่างมันเป็นอาการของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันทั้งหนะ้าน่ะสี่สีอย่างมันเป็นอาการของจิตภาษาพิธามเขาเขาเรียกว่าจิตอันนั้นดวงหนึ่งอันนั้นดวงหนึ่งอันนั้นดวงหนึ่งอืมเราก็ฟังได้ แต่ถ้าเราจเรียกว่ากิริยาการของจิตแท้ที่จริงมันก็คืออาการของจิตนั่นแหละจิตผู้รู้หนึ่งเดียวแต่กิริยาการของมันมีมากมายกิริยาการของมันก็มีมากมายเช่นอย่างเราดูพัดลมอย่างเงี้ยเราเห็นตาเราเห็นด้วยกิริยาการของมันมีเสียงอีกมาด้วยเนี่ยหูเราก็ได้ยินตาเราก็ได้เห็นเนะี่ยอาการของมัน และแตะลมเราก็สัมผัสเ น, นี่ยสัมผัสลมมันลงมาเนี่ยคืออาการของมันจิตของเราเช่นเดียวกันหรือเคยเปรียบเทียบกับเทียนเนี่ยเทียนกิริยาอาการอาการของของไฟเทียนที่กําลังติดอยู่นะั่นแหละคือกิริยาอาการของไฟเราเรามองไม่เห็นความร้อนความร้อนเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เอามือเราไจี้เราลง กลับอย่ารีบไปเราไปจุดเทียนแล้วเอามือจี้เราไปดูอัที่ร้อนรอนั่นแหละนั่นแหละคือไฟอ่าอัที่เราเห็นเหลืองเหลืองนั่นน่ะเป็นเปลวไฟเห็นเป็นควันคเป็นปลุกปุยมันเอาเป็นควันไฟมันกินไส้มันกินน้ํามันมันไม่เคยหยุดนิ่งในระหว่างที่มันทํางาน น้ำมันก็หมดไปไส้ก็หมดไปไมไปมไปเกลี่ยไปน้ำมันก็หมดไปจากนั้นแล้วให้ความร้อนต่อเรื่องให้ความสว่างอีกทั้งหมดนั้นเป็นกิริยาการของธาตุไฟทั้งนั้นแต่เราสามารถสัมผัสได้อามือไปจีบหลุมเมานั่นนั่นคือไฟแล้ร้อนแท้ แ, แท่เลยไฟแท้แต่อย่างอื่นเป็นกิยาการมของมันทั้งหมด เวทนาสัญญาสังขารอุย ญ, ญาเป็นกิริยาการของใจท่านจึงว่าขันทั้งห้าขันทั้งห้ามันเป็นกระบวนการทํางานของของก้องกายกับใจมาสัมผัสกันเขาทํางานทุกครั้งเขาเกี่ยวข้องกันทุกครั้งทั้งห้าอันนี้แหละเวากายเวทนากายสัญญาเวทนาสัญญาสังขารอุญญาทั้งหาอันนี้ทำงานมาสัมพันธ์กันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันตลอด แต่ถ้าเราไม่แยกเหมือนเักเหมือนอย่าเรากรรมกรรมปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแท่งทั้งเดียวกันสมมติเราต้องการจะแยกเราก็แบกแออกนี่โอ้โผชี้กลางนาค้อยอ่าโอ้มันไม่ใช่เมียนเดียวมันมีแต่ห้าอันเป็นกิยาการออกใจทำความรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการใช้ปัญญามารู้หลักความเป็นจริง ความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้เราใช้สติกำลังจดจอดูรู้สดส ด, สดร้อนร้อนี่แหละเราไม่จมาเป็นจะต้องไปรู้ด้วยยานทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอย่างที่ท่านทัานใจบาเพ็ญจนสิ่งแล้วนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มรู้เริ่มเห็นอย่างนี้แหละจนกว่ามจะช่ำชองจะมิำชำนาน เห็นข้อเท็จจริงแจ่มแจ้งชัดเจนปรงใจเชื่อเต็มร้อยอยาณะศสนะโอ้หนี่เหี้ให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์จริงเรามีคนมาดาปับเราปล่อยให้อัดตาตัวตนโผล่ขึ้นมาปมนนักหโหมนุษย์นึกดาตอบนึกโกรธตอบนึกพยาบาทตอบจะแก้แค้นยังั้นจะแก้แค้นมีห น, น้าคือเรา เราปล่อยมันมันมันเป็นถ้าเราไม่ปล่อยให้เป็นเราได้ยินกรษักได้ไดียินไอหมูไอหมาเราไม่ใช่หมูเราไม่ใช่หมเ า, ม เ, หหมาเราเป็นคนเราได้ยินทำความ ร, รู้จักตามตลอดถ้าเราไม่ไม่ทำความ ร, รู้จักตามตลอดมันก็ยึดคำว่าอัตตามันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ายิงทามั่ ทำมทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนัตตาที่เป็นอนัตานตาขึ้นมาเพราะว่าเราไปยึดมันกิริ ย, ยาบถาทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเรามันเป็นคุณเป็นโทษโดยหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าเรายึดขึ้นมาปั๊บคุณก็เห็นคุณชัดเจนโทษก็เห็นโทษชัดเจนอัตตาตัวตนมันก็หลุดออกมาความยึดความตืย พระริยาเจา้าท่านไม่ยึดไม่ถือท่านรู้เต็มรอบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วท่านปล่อยท่านทิ้งสัจจะว่ารู้รู้แล้วก็ว่ารู้แล้วก็ว่ารู้แล้วกว่ารูแล้วก็ปล่อยรู้ละกว่าปล่อยจิตอารมณ์นั้นนั้นน่ะมันไม่ได้ซึมเข้าไปในจิตท่านจึงว่ า, าท่านจึงว่าจิตพระอาหารเนี่ยเหมือนน้ํากลิ้งบนใบน บ, บัว น้ำมันไม่ซึมซาบเข้าไปในโบสถอารมณ์ที่มันไม่ซึมเข้าไปในหัวใจในใจเนี่ยเห็นและะ้วตกไปเห็นและะ้วก็ตกไปตกไปโดยหลักธรรมชาติหมันสติของท่านก็เป็นสติโดยอัตโนมัติสติวิปุระสติวิบูรณ์สติสมบูรณ์แต่พวกเราเนี่ยยังต้องมาตั้งมาจอ่อกำหนดจดจ่อปลูกฟังสติให้เกิดขึ้นให้มีขึ้ น, นไม่ตั้งใจปลูกฟังก็ไม่เกิดต้องใช้ความอดต้องใช้ความทนขันติ สติจักว <exhibit> ิริยะอุตสาห์ความภาคความเพียรความมุ่มานะความรักของความสังปรสำรู้ควมระวังทั้งตั้งใจสำรว้ทั้งตั้งใจระวังจากนั้นแล้วอดอดทั้งอดทั้งทนทั้งอดดูทั้งทนดูอดพิจารณาทนพิจารณาอืม ใช้ความเพียรต่อเนื่องเนีเวลาเราไปแยกวิริยะก็อยู่ในนั้นสรรคจักรก็อยู่ในนั้นขันติก็อยู่ในนั้นอความสังวรสัมพรว็อยู่ในนั้นทั้งหมดถ้าเราตังต้งใจทำธรรมะเหล่ า, าลนี้ตล่อมหลอมรวมเป็นเครื่องหมายเรื่องเงินเดียวกันทำให้เสถียของเร า, เราโลชัดขึ้นมาเราตั้งใกกจกำหนดจุดจอดเรา ตัญหามันไม่เกิดจริงไหมหรือถ้าเราสรังวรระวังไม่พอแล้วตัญหาพผล่ขึ้นมาจริงไหมเราสามารถวิสูจน์ได้ทดสอบได้โดยเหตุที่มีข้อเท็จจริงแค่นี้แหละข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เกิดได้มีได้เราสามารถปฏิบัติทําได้ในระหว่างที่เราสรังวรฉมวดระวังตัญหาใหม่ไม่เกิดตัญหาใหม่ไม่เกิดด้วยเหตุที่เราสรํรารวจระวังปบ่อยครั้งต่อเนื่อง ตัญหาเก่าที่อยู่ในใจของเรามันก็เริ่มร้อนนะมันเริ่มเ ร, าร่าร้อนอ่าท่านจึงให้มาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงพิจารณการทำลายความหลงให้รู้จักที่ไปที่มาของกายที่มาของกายเป็นไงแล้วที่ไปของกายเป็นไงแล้วความเป็นอยู่ของกายเป็นไงก็าให้พิจารณาเอาสติเอาสมมติัญญะเอาทํามนี่แหละ่าพิจารณา พิจารณาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็คือความหลงพิจารนารู้แล้วโอ้ภาวะกายมีอยอย่างนี้เป็นอย่อยางนี้มันมีสุขเวทนาอย่างนี้มันมีทุกขเวทนาอย่างนี้เวลาให้บริโภคอาหารเต็มแพร่มันก็มีกาลังวังชายอย่างนี้มันก็อ้วนพีอย่างนี้แต่และอย่างเป็นระบบเป็นระบอบที่มันทำงานเชื่อมประสานแก่กันใลกันที่ไปที่มาของกาย ไปที่มาของกายที่มาของกายในอัตภาพนี้ที่เรามานั่งต้องมองแต้มหมอยู่นี่ได้มาอย่างนั้นย้อนไปที่ย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนไปจนถึงในท้องแม่นอนเราเกิดในท้องแม่โอ้เกิดจากตัณหาจริงหรือเราเราเกิดจากตัณหาจริงหรือจริงหรือไม่จริงหลู้ไหมจีในใจของพ่อของแม่เจริญพันธุ์เกิดมีตัณหาไหม ถ้าไม่มีท่านเมายุ่งกันดอกโดยเหตุที่ในใจท่านมีตังหาท่านยุ่งกันโดยเหตุที่จิตของเรามีตังหาแล้วก็ไปสอดแส่งานที่เกิดไหมนั่นแนหะมันไปประจวบเหมาะการเกิดในท้องแม่นี่ที่ไปที่มาของกายเราเป็นกอะสังคัญในท้องแม่รอขึ้นมาแล้วไม่เคยอยท่าเดิมเลยโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาอาศัยดูดเลือดดูดเนื้อของแม่นั่นแนหะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นโรงงานโรงหนึ่งไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่บทย่อยขยี้เหตุปัจจัยเก่าก็เสื่อมไปเหตุปัจจัยใหม่เราก็ใส่เข้าไปของใหม่ใส่เข้าไปกลายเป็นของเก่าเหตุปัจจัยเก่าก็ร่วงไปยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวปลาอาหารที่เราใส่เข้าไป่นี่คือเหตุปัจจัยใหม่ใส่เข้าไป การมันก็บดมันกขย่อยมันก็มันก็บดมันก็ย่อยมันก็ดูซึมตั้งแต่กระเพาะเนี่ยตั้งแต่ลำคอตั้งแต่กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ดูดซึมไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปปินเป็นนีนไปปิดเป็นนี่นันคือเหตุปัจจัยให้อาหารดีๆร่างกายก็อ้วนพีมีแรงมีกําลังวังชาบดอาหารสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันลองดูที่ ร่างกายมันไม่มีอะไรปดไม่มีอะไรย่อยมันก็อาศัยของเก่าเอามาย่อยเจ็ดวันเนี่ยห้าวันหกวันสองสามวันเนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าไปพวกเซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็เริ่มตายลงตายลงตายล ง, ายลงาจากคนอ้วนๆก็ผอมลงผอมลงผอมลงเพราะ อ, อะไรเพราะเซลล์มันตายลงตายลงกลุ่มชีวิตในกายของเรานี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละ มันมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีเหตุปัจจัยข้างมันนั่นคือความเป็นอยู่ของมันมีความเกิดปรากฏเวลาอยู่เวลาตั้งอยู่มีความเปลี่ยนแปลงปรากฏแล้วก็มีความดับปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่คือภาวะของกาย ผู้นั้นตรงก็คือภาวะของอนิจจ์ทุกขังอนัตตามันไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ทั้งนิจจ์และทั้งทุกขงังใครดัดแปลงไม่ได้ใครบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้ท่านจึงว่านัตตานัต า, ตาถ้าเป็นอัตตาเราต้องบังคับได้พุทธิยานให้ความหมา ย, ยานี้นะถ้าเป็นอัตตาเราต้องบังคับได้ แต่ด้วยเหตุที่ความโง่ในใจของเราด้วยอำนาจของตัณหามันไปเกณฑ์โนนให้ถูกใจเกณฑ์นี่ถูกใจเวลามันไม่ถูกใจกระทุกเกณฑ์อันน้นให้ถูกใจไม่ถูกใจกระทุกเกณฑ์อันนี้ไม่ถูกใจให้ถูกใจไม่ถูกใจกระทุกแท้ที่จริงเกณฑ์อะไรให้ถูกใจไม่เคยถูกใจสักอย่างไม่เคยสมใจสักอย่างรับทานอาหารแทบถูกลิ้นอ่าถูกใจไ้มโอ้ยินดีเออพอใจอืม ก, ก็ได้รับความเย็นดีนะครับได้รับความพอใจแค่กิริยาอาการเหล่านี้แค่นี้เองภายในใจ Task, ต้องการให้มันแก่ไหมไม่ต้องการต้องการให้มันเจ็บใคาได้ป่วยไหมไม่ต้องการบอกให้มันแก่ได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บได้ไหมบอกไม่ได้บอกให้มันตายได้ไหมบอกไม่ได้บอกได้ยุบแต่มันไม่ได้เป็นไปตามความขอของเราเพราะ มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเราไปแย่งเหตุแย่งปัจจัยของมันตัางหาเราถึอว่ามันน่าโง่มากๆตัาหามันน่าโง่มากๆท่านให้เราพิจารณาในนี้อย่างตุขังนัตตาเพื่อเอาสัจะทําเหล่านี้เนะี่ยมายักปากมันให้ให้มันจํำนนจํายองถ้าไม่มีข้อเท็จจริงขนาดนี้มันไม่ยอมมันไม่ยอม บทกรรมฐานทั้งหลายทั้งปวงที่ให้เราพิจารณาพิจารณาเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงให้ตัณหาในหัวใจของเรามันจํำนนจํายอมไม่มีปัจจัยจริงๆมันไม่จํายอมมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมต้องเอามาไปจานหน้ามันหน้าที่ของเรามีหน้าที่หาสัตยธรรมมาไปจานหน้ามันให้มันจํำนนจํายอมโสตรนะโสโครนะสุภาษสุภังนะ ดูมาที่ตาที่หูที่จมูกที่ยิ้นดูมาในทวารแต่ละทวารเนี่ยอ่าไม่มีอะไรสะอาดกลิ่นคลุ้งไปหมดเงอแต่ละหยดแต่ละหยาด ก, การด้วไปหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีเหม็นสาบเหม็นสารเปื้อนผ้าเปื้อนแพร่ห ม, มัดหมมสองวันสามวันหนึ่งกลิ่นคลุ้งเหม่สกปรปกเท่านั้นแหละเขาแทบจิงมเ้ามาัน ท่านจึงให้เราพิจารณาสุภาษสุพังเพราะข้อเท็จจริงเขาหมันมันจะดึงไปสู่ตรงนั้นมันจะเปลี่ยนข้อเท็จจริงตรงนั้นเห็นสุภาษะเห็นนะสุพังเห็นว่ามันไม่งามหน้าเปลี่ยนโศกคร้าถ้าเราไม่พิจารณามันก็หลงมันหลงคำว่าหลงนี่คือความมันไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงท่านเรียกว่าหลงเพราะหลงแล้วก็ยึดแหละยึดแล้วก็ยึดแล้วก็ของเราของของเรายึดแหละกายเรา ผัวเรามีเราของของเรายึดแล้วตอนี้พอยึดแล้วมันก็อยากให้อยู่เท่าเดิมอยากให้นิ่งใจอยากให้สุขขันเพื่ออะไรเพื่อจะเหนี่ยวรั้งสิ่งที่ชอบใจพอใจที่สุดให้อยู่ให้สมใจให้สงหแต่จไปเหนี่ยวอะไรได้ไปย่างอะไรได้ร่างกายของเราแค่เราบังคับให้ ยืนให้เดินให้หน่งให้หนอนให้อะไร ะ, ะไรจะเลยอิริยาบทเราบังคับได้แต่ที่เป็นหลักจะจะทำจริงๆเราบังคับไม่ได้ไม่ให้แก่เพราะความแก่มันเป็นไปนตามวัยแค่ชะลอได้ความเจ็บแค่ชะลอได้ความตายแค่ชะลอได้หมอยาแค่ช่วยชะลอความแก่ช่วยชะลอความเจ็บ แล้วก็ช่วยชะลอความตายนะปัดไม่มันแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปัดไม่ได้ถ้ามยิ่งปัดไม่ได้ทำไมยิ่งบอกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อน้ตากันเป็นหนตาดูในใจของเรามันชอบห ม, มันไม่ชอบท่านจะให้พี่คณะเห็นแล้วให้ยอมรับโอ้ข้อเท็จจริงของมันคืออย่างนี้เป็นอย่างนี้พอเรายอมรับแล้วก็จบพอเรายอมรับแล้วก็จบ ยอมเราปล่อยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเอาใจออกเสียมันไม่ได้ไปหวังอะไรกับมันมันไม่ทุกไม่ได้ไปหวังอะไรกับมันมันไม่ทุกอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้อ๋อมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอื่นอ๋อมันจะต้องตายมีความตายดักรออยู่ข้างหน้าก่อนจะตายก็เจ็บเจยบปานตายเจ็บจนตายมาถึงตาย แต่วร่างกายเรามาศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงมันได้หลักได้ฐานได้เหตุได้ผลไม่ชัวนให้เราหลงเราไม่มาตรงนี้เราหลงมากนั่งภาวนาคิดวัจจิสงบส่งเดชเปน็นโนส่งเดชเป็นนี้กลายเป็นฤิษเป็นเดชเป็นอภิญยายึดสรุรพัทธพันหลงเราเราก็พงไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเราทิ้งหลักตรงนี้มันจะไปอย่างนั้นนะ แล้วดูด้วยความนึกคิดมันยึดความนึกความคิดมันยึดสักเท่าไหร่ความนึกความคิดยิ่งเราชํานาญกับอารมณ์ด้วยแล้วมันยิ่งยึดยึดยังไงกันเหนียวนี่นย่งนียึดยังไงกันเหนียวเมื่อ <c oughs> อย่างคนบ้าที่ประสาทเสียะมันยึดยังไงก็เป็นอย่างงั้นะยึดยังไงก็เป็นอยังงั้นะถอนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ บางอยที่เขาว่ากลัวกลัวกลัววิ่งขึ้นต้นมงต้นไม้เนี่ยกลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวเราเคยไล่จับคนบ้าตัวกลัวอะไรก็ไม่รู้นั่นคือคนประษาหน่อยมีเหตุมีผลมไมนี่มันยึดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแรงอุปาทานแรงของอุปาทานริดเดียร์ของปาทานอ่าพอจำควรแกเวลาเอาให้ไขอทิศสายจ้ะ 欢迎霞霞。